พระ เ, ระนนเจ้าพระมหาภัยบณ์อภิปุโนจาวัดป่าดอนไยโศมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างมาตอบคำถามบ้างมาพูดคุยในเรื่องที่เป็นคำสอนตัวแม่บทหรือว่าบทแห่งธรรมะหมวดในบทหนึ่งกับท่านผู้ฟังบ้าง ในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปการปฏิบัติที่ทั้งเป็นรูปแบบบ้างการปฏิบัติที่อยู่ในชีวิตประจำวันบ้างเพราะว่าในทางคําสอนของพุท ธ, ธะธรรมบุญฟังคําสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยหมายถึงศาสนาพุทธน่ยพุทธศาสนาศาสนาหมายถึงคําสอนพุท ธ, ธะก็คือพระพุทธเจ้าของเรา พุทธศาสนาก็คือคำสอนของพุท ธ, ธอ น, นี้คือในความหมายของคำว่าศาสนาทีนี้พอในภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเขาใช้คําว่า religion ซึ่งหมายถึงศาสนาใช่ไหมภาษาอังกฤษเขาว่า religion แต่ว่ารากศัพท์เนี่ยมันคนละเรื่องกันทัมบูฝังคำว่าศาสนาในภาษาไทยรากศัพท์มาจากภาษาบาลีคือศาสนาง ซงอันนี้แน่นอนหมายถึงคาสอนศาสนาหรือว่าศาสนาหมายถึงคำสอนแต่คาว่า v e l เลเจนในภาษาอังกฤษเนี่ยมาจากรากศัพท์ภาษาลาตินซึ่งหมายถึงการผูกเอาไว้การยึดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะให้ผูกเอาไว้ให้ยึดเอาไว้ตามที่พวกฝรั่งเขาใช้กัน v e l เลเจนเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้น เราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นไปเพื่อการคลายออกการวางการปล่อยความรู้เป็นไปเพื่อไม่ยึดถือไม่ใช่ให้ยึดถือเอาไว้เพราะฉะนั้นศาสนาไม่ได้ให้ยึดถือศาสนานี่หมายถึงคําสอนของพุทธนะศ า, าสนาที่หมายถึงให้ยึดถือในทางศาสนาอื่นเนี่ย ม, มันไม่ใช่คําสอนของพุทธจะไม่เหมือนกันจะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ ในะรากศัพท์มันก็บอกอยู่แล้วครังเขาใช้คำว่า religion ซึ่งมาจากรากศัพท์ที่หมายถึงการยึดถือการรัดรึงการที่ให้จับชุวยเอาไว้แต่ในทางคำสอนของพุท ธ, ธะคือคำสอนเนี่ยเป็นใบเพื่อให้ปล่อยให้คลายเป็นใบเพื่อให้วางความยึดถือแต่ลักษณะคำที่บระพุทเจ้ า, ชาใช้นั้นมีความรัดกุมมากก็หมถึงให้เก่อเอาไว้คือสารณะ ก, กับยึดนั้นเหมือนต่างกันอยู่มันต่างกันตรงการปฏิบัตินี่แหละในเรื่องทางคําศัพท์เราจะอธิบายกันให้แยกแยะแจกแจงกันไปยังไงก็ได้คําเดียวเนี่ยอธิบายได้หลายในละ่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันต่างกันในทางคําสอนของพุทธทท่านผู้ฟังจึงพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเป็นอันมากปฏิบัติให้มันถูกปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบปฏิบัติเพื่อให้รู้ทําเป็นเครื่องออกจากทุกข์ นั่นคือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยสาคัญมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการอ่านคืออ่านไปด้วยปฏิบัติไปด้วยกว็ได้ในขณะที่เราอ่านหนังสือไปเราก็ทําจิตให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ดีหรือว่าถ้าอาจจะไม่ได้มีโอกาสอ่านมากอ่าน น, นิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้อ่านแต่ว่าฟังเอาฟังคนที่เขาไหวี้ฟังคนนั้นเขาไหวยอย่างนั้นฟังอาไหวอ่าน น, นิดนิดหน่อยๆน่อแล้วก็ปฏิบัติไปทําไป อันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัตินั้นมันอยู่ที่จิตของเราและไม่ได้อยู่ที่สมองใน่นอนหลับบางทีเราจําข้อมูลต่างๆได้จําไว้ในสมองของเราได้บางคนจําไม่ได้แต่ว่าปฏิบัติไม่ได้ก็มีเอาจําไม่ได้มากก็ตามน้อยก็ตามไม่เป็นไรบางคนจําได้น้อยๆ้นึนนงแต่ก็ยังปฏิบัติได้ไอ้ที่น้อยๆ น, นั่นแหละมันก็ดีขึ้นมา แล้วการปฏิบัติก็จะแยกแยกกันไปอีกว่าออปฏิบัติเป็นรูปแบบเฉพาะตอนอยู่ที่วัดแล้วก็การปฏิบัติที่เราอยู่ในครอบครัวปฏิบัติที่อยู่ในชีวิตประจําวันอันเนี้ยเป็นความสําคัญความสําคัญในการที่เราจะนําธรรมมาปฏิบัตินั่นเองนั่นคือไม่ใช่แค่จําได้ไม่ใช่แค่อา่านขวนขวายหาฟังหาอ่านอ่านด้วยฟังด้วย มากกะตามน้อยก็ตามอาจจาได้จําได้ด้วยมากกระตามน้อยก็ตามที่สําคัญต้องปฏิบัติ ด, ด้วยปฏิบัติให้ดีแล้วละัะปฏิบัติให้ไม่ใช่ชเฉพาะมาวัดปฏิบัติธรรมแต่อยู่บ้านเราก็ปฏิบัติ ด, ด้วยในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยที่วัดป่าดอนหายโศกของเราเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัตินําเปิดสอนการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบอยู่เป็นประจา ปัญหาหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็พบเจออยู่เรื่อยๆในเรื่องของผู้ปฏิบัติเนที่มาขวนขวายการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่วัดเนี่ยนะมีอยู่ปัญหาหนึ่งที่จะนํามาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังด้วยก็ ค, คือว่าผู้ปฏิบัติบางคนเนี่ยแมมขี้กลัวมากเนงคือตัวเองอยู่บ้านของตัวเองใช่ไหมมีความคุ้นเคอยอะไรต่างๆก็ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอจะออกไปอยู่ที่อื่นโดยเฉพาะยิ่งมาอยู่วัดเนี่ย แม่ไม่รู้มันกลัวอะไรแต่โฝังนะ่ยกลัวความมืดบ้างกลัวผีบ้างเดี๋ยวก็จะต้องมีบอกว่าขออยู่ครับญาติาดได้ไหมเนะ่ยขออยู่ห้องเดียวกันบ้างขออยู่อาคารหลังเดียวกันบ้างแต่คนละห้องอย่างนี้ขอให้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยเนะ่ยเพื่อที่ว่าจะบรรเทาความกลัวบางคนกลัวนอนคนเดียวไม่ได้ก็ขอนอนกับใครก็ได้ที่ไม่รู้จักก็ได้แต่ขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนบ้างอย่างนี้ก็มีนะ่ยเพราะว่า ความกลัวทาไมกลัวกลัวอะไรบ้างถามเขาเจาะจงลงไปเขาก็บอกกลัวสัตว์บ้างกลัวคนอื่นมาด้อมดมมองมออะไรกลัวอะไรไปทั่วไปหมดแต่คนกลัวเนี่ยตมบูฟังมันกลัวจริงๆนะเหลือไม่กลัวอะไรอย่างหนึ่งก็กลัวอย่างหนึ่งแต่คือกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ล่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงคนนี้เขาจะมายังไงไม่รู้ว่ไอ้ตรงมืดมืดนั้นมีอะไรไม่รู้ว่าที่เราได้ยิงกุ๊กคักกุ๊กคักตัวนั้นมันคืออะไร ความไม่รู้เกิดขึ้นตรงไหนแต่มันก็เลยกลัวตรงนั้นแล้วก็ไปเที่ยวใส่ชื่อว่าตรงนั้นเป็นผีแต่มีเสียงกุ๊กกังออกผีมาแน่เลยมีความมืด อ, อะไรเห็นไหวๆตรงนั้นเอาผีมาแน่เลยก็บอกว่าไม่รู้ว่มันเป็นอะไรแล่จึงใส่ชื่อมันก่อนว่าเป็นผีแต่มีเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านดอนฮายโซนนี่แหละอายุ ป, ประมาณ10บขวบนี่แหละนักุนตาตายตาอายุ80ิบกว่า หลานอายุประมาณ10ขวบนั่นนี่คือหลานคนเล็กที่พูดถึงนี้แล้วก็มีหลานชายอีกคนหนึงอายุ12ขวบหลานชายอายุ12ขวบกับหลานสาวอายุ10ขวบตาอายุแปบกว่านั่นตานี่ก็อายุ80กว่าก็ด้วยโรคชราทั้งหมดนั่นก็ตายไปแ้่ปรากฏว่าหลานสาวที่อายุ10ขวบเนี่ยพอตาตายแล้วนันก็กลัวนั่นดำภาษาเด็ก คือกลัวผีผีอะไรก็ผีตานั่นแหละที่ตายไปไม่รู้ว่าไปไหนนัหนตามประสาเด็กก็เลยกลัวขึ้นมาแต่ว่าไอ้ตอนเป็นอยู่เนี่ยนะอย่างสมมุติว่าวันนี้ยังอยู่ยังเป็นดีๆอยู่เนี่ยเออก็กอดตาได้คุยกับตาได้ถ้าอาจจะนอนป่วยบ้างอะไรบ้างก็ยังเอาอาหารไปให้ตากินได้เหแต่พอพรุ่งนี้สมมตุตินือตาตายไปเหนือจะเข้าใกล้ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ละกลัว นักกลัวอะไรอ่ะถามเด็กน้อยก็กลัวผีตาอ้าวแล้วตอนที่ก่อนตายเมื่อวานนี้ไม่กลัวหรือก็ยังไม่ตายหนูก็เลยไม่กลัวในขณะที่หลานชายอายุ12ขวบหลานชายอายุ12ขวบเนี่ยก็รักตามากเลยหนักกอดกับตาเล่นกับตาเอาอาหารไปให้ตากินเหมือนกันแต่พอตาตายแล้วเออหลานชายอายุ12ขวบนี่ไม่กลัวนักกบไป เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตาหลังจากที่ตายแล้วนะเอาน้ำมาเช็ดหน้าล้างหน้าให้ตาแล้วก็ไม่กลัวตาวิผมให้ด้วยไม่กลัวตาที่เพิ่งตายไปแต่ความต่างๆระหว่างเด็กสองคนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของวุฒิภาวะอายุสิบขวบแล้วก็ยังกลัวอยู่พออายุสิบสองแล้วก็เลยไม่กลัวอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญเลย เดนที่หลานชายอยุสิบสองวบไม่กลัวเนี่ยเพราะว่าเขาคิดอย่างนี้ตะบฝังเขามีความคิดว่าเออตาของเราเนี่ยนะสร้างวัดให้ทานรักษาศีลทําบุญเป็นคนดีว่างั้นเถอะมีความคิดว่างี้หลานชายมีความคิดว่างี้ถ้าตายไปเนี่ยเป็นผีนี่ก็ต้องไปดีแน่เป็นผีดีแน่แต่จึงไม่กลัวผีตาที่ตายไป เนี่ยเพราะว่าคิดว่าเป็นผีดีในขณะที่หลานสาวอายุ10บขวบไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้ไม่ได้คิดว่าตอนที่ตาเป็นอยู่ทําอะไรดีไม่ดียังไงเป็นผีอะไรไม่ถ้าขึ้นชื่อว่าผีฉันกลัวก่อนโลดเลยแต่ไม่ได้พิจารณาอะไรแต่หลานชายอายุ12ขวบพิจารณาดูว่าถ้าตาตายไปเป็นผีก็ทําความดีไว้อย่างงี้ต้องเป็นผีดีแน่นอนเลยไม่กลัวตา ก็คือคนเราตายไปเนี่ยเขาก็จะมักจะเรียกกันเราว่าเป็นผีตายยังไงไม่รู้ละแต่เรียกผีไว้ก่อน ต, ตายหังบ้างตายแก่ตายบ้างตายด้วยโรคอะไรต่างๆบ้างคนตายไปแล้วไม่ใช่คนแล้วเรียกอะไรก็เรียกว่าผีเรียกว่าศพใช่ไหมศพหรือผีก็ตามเราก็มีค่านิยมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เด็กคนนี้เขาคิดถึงผีดีท่านผู้ฟังผีดีในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าในตอนที่เป็นอยู่เนี่ย ได้ทําความดีเอาไว้ตายไปเป็นผีก็เป็นผีดีคนไม่ตายเนี่ยไม่มีนะในโลกนี้นะคนไม่ตายเนี่ยไม่มีพี่หนูว่ามันยังไม่ตายมัอนคงจะต้องตายสักวันหนึ่งไม่งั้นคนก็จะล้นโลกแตนะ่ทุกคนที่เกิดมาร้อยเปอร์เซตายแน่นอนเนะี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วด้วยแล้วก็จะเป็นอย่างงี้ไปอีกนานด้วยในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ในสมัยก่อนสมัยพุทธกาลคนที่ตายแบบนี้ก็มีเยอะแยะ เรายังไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ที่ยังต้องปรินิพพานเราอักรสาวกผู้เลิศในเรื่องต่างๆ่าท่านก็ยังปรินิพพาน แ, แม้แต่ปุถุชนคนธรรมดาก็ยังตายได้ก็ไม่ได้มีอายุเป็นหลายๆพันปีไม่ได้เป็นอย่างนั้นเกิดมาก็ตายทุกคนนเรื่องราวมีเยอะแยะในสมัยพุทธกาลในมูฟังเหนือที่ว่าคนนี้เป็นอนนี้แล้วก็ตายตายโหวงบ้างตายหมดอายุบ้าง ส่วนใหญ่เราก็จะเรียกคนที่ตายโหงเนี่ยแบบว่ายังไม่หมดอายุแล้วตายเนี่ยเรียกว่าเป็นผีเนะื้อผีที่ดีๆในสมัยพุตถการณ์แนตะ่ตังฟังมีแนะมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่จะต้องให้เด็กชายอายุ12บสขวบมาพิจารณาเขาพิจารณากันมาตั้งนานละมีผู้หญิงคนหนึ่งตั้งฟังเป็นธิดาที่อยู่ในเรือนของนายช่างหูกหนายช่างหูเนี่ยคือเขาทอผ้านั่นแหละเขาจะมีเรื่องทอผ้า มีการหน่วงน้ําหนักคันชักไปชักมานี่ยแหละเป็นในช่างทอผ้าในช่างทอผ้านี้ก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเขาทาอาชีพในการทอหูกทอผ้านี่แหะคำว่าหูกนันก็คือหมายถึงเรื่องทอผ้าสมัยโบราณซึ่งในเครื่องทอผ้าสมัยโบราณเขาจะมีอุปรกรณ์เยอะแยะมีกระสวยบ้างมีกี่หรือว่าหูกนะที่ใช้ผูกผ้าบ้าง มีหวีมีกรอบมีไม้หาบมีอะไรต่างๆเนื้อที่เป็นอุปกรณ์ในการทอผ้าแล้วเก็เรียกว่าเครื่องหูกช่างที่จัดการเครื่องทอผ้าตรงนี้เขาก็เรียกว่าช่างหูกและช่างหูกคนนี้ก็คือช่างทอผ้านะนะก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเขาทาอาชีพในการทอผ้านี่อยู่ที่เมืองอาราวีทําอาชีพในการทอผ้าอยู่ที่เมืองอาราวี พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็เสด็จไปที่เมือง น, นี้ได้ตรัสถึงเรื่องของมรณสติในมรณสตินี่ก็คือการที่ให้ระลึกถึงความตายละ่ะว่าเหตุปัจจัยแห่งการตายนั้นมีมากถ้าเผื่อว่าเราตายด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะตายตอนคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าหรือไม่นานจากนี้เอแต่ว่าถ้าเผื่อว่าตายไปแล้วเธอยังไม่ได้มีเรื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ ตาไปนี้จะไปสู่พบที่ไม่ดีแต่ยังพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลเนี่ยก็รีบแก้ไขซะกําจัดสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลออกไปทําสิ่งที่เป็นกุศลให้เพิ่มขึ้นมาในจิตแต่ถ้ามีกุศลธรรมอยู่แล้วแล้ก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมเหล่านั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไปนี่คือลักษณะของมรณะสติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้านี่แหละไปสอนที่เมืองอาบีในขณะนั้น ซึ่งทิดาของนายช่างผูกนี้ก็ได้ฟังธรรมะอยู่ที่นั่นด้วยฟังธรรมะอยู่ที่นั่นแล้วเหนือเครียดครวญด้วยปัญญาแหมเมืองนี้มันไกลจากที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่นือถ้าพระพุทธเจ้าให้อววาดได้แล้วฉันจะรับมาเหมือนกับพวงมาลัยที่เขาร้อยไว้อย่างดีประดิษฐ์สานไว้บนศีรษะของตนมีความคิดว่าอย่างนี้แล้วในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ประกาศเอาไว้ดีแล้วเนี่ย ก็นําเรื่องบรารณาสตินี่แหละเมื่อกี้ใคร้ครวญอยู่ทุกวันเลยเมื่อกี้ใคร้ครวญว่าเออชั้นนี่เกิดมาแล้วก็จะต้องตายนะอันนี้มันแน่นอนละ่ะตายแล้วนี่ก็ไม่รู้จะไปไหนคิ๊ใกล้ครวญเรื่องนี้อยู่พยายามสร้างสิ่งที่เป็นกุศลพยายามละสิ่งที่เป็นอกุศลวันไหนมีกุศลแธรรมดีแล้วก็อยู่ด้วยปิติปราโมทย์อยู่ในเรื่องนั้นเนี่ยพยายามที่จะพิจราราณาบารณสติในลักษณะนี้ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องมรณสติในที่นั้นแล้วหนันก็เสด็จจากเมืองอารวีไปไปทำหน้าที่ของปรงุงต่อมา3ปีถัดมาท่นบฟังเวลาร่วงไป3ปีเนีน่ยพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสกลับมาที่เมืองอารวีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอที่ดานายช่างหูคนนี้แหละที่เจริญมรณสติเนี่ยเป็นเวลาติดต่อกันมาถึง3ปีด้วยกันน่ะไม่ละจริงเลยทุกวันพิจารณาเรื่องมรณสติทุกวันพิจารณาเรื่องมรณสติ แต่ว่าเหตุปัจจัยความตายว่าเรามีมากมแมลงป่องต่อยบ้างงูกัดบ้างอาหารที่กินแล้วไม่ย่อยบ้างพิจารณาไปสร้างกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลออกจากใจไป้ามีอยู่สมปีนะบูฟังนนในวันนั้นพระพุทธเจ้าสามปีล่วงไปก็มาที่เมืองนี้อีกได้พบทิดานายช่างหูกีนอีกก็ถามเธอผู้นี้ว่ามาจากที่ไหน แต่ที่ได้นายช่างหูนี่ก็ตอบว่าไม่ทราบไม่ทราบพระเจ้าค้าว่ามาจากที่ไหนพระบรเชาก็ถามต่ออีกว่าเอา้าแล้วจะไปที่ไหนแต่นางคนนี้ก็ตอบว่าก็ไม่ทราบประชจ้าข้าเอตถามว่ามาจากไหนก็บอกไม่ทราบจะไปที่ไหนก็บอกไม่ทราบเอาคนตัวเองเป็นลูกของนายช่างหูกนั่งรอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาได้ไปให้บิดาทอผ้าน่นก็สั่งผ้ามา กรอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะเอาไปให้บิดาก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าก่อนมาฟังทำก่อนอ๋อพอพระพุทธเจ้าถามว่ามาจากที่ไหนเอ้ยกลับบอกว่าไม่ทราบถามว่าจะไปที่ไหนเอาก็กลับบอกว่าไม่ทราบอีกเอ๊ะมันยังไงแต่คนทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นเขาก็คิดกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ถามต่ออีกว่าอา้าวไม่ทราบหรือนต่ที่ดาในช่างหูกนี้ก็าตอบมาทราบพระเจ้าข้าเอา้าตอนแรก บ, บอกไม่ทราบไอตอนนี้บอกทราบ พระรูปเจ้าก็ถามต่ออบว่าเอาเธอทราบหรือที่ได้นายช่างหูนี้ก็ตอบอีกว่าไม่ทราบถามว่าไม่ทราบก็ตอบว่าทราบถามว่าทราบก็ตอบว่าไม่ทราบมันกลัวแล้วทีนี้คนทั้งหลายในที่นั้นก็เลยคิดว่าแม่นางนี่มันกวนจริงๆพอพระรูปเจ้าถามงี้ทําไมตอบเล่นลิ้นถามว่ามาจากที่ไหนก็บอกว่าไม่ทราบถามว่าจะไปที่ไหนก็บอกว่าไม่ทราบพอถามว่าไม่ทราบหรือก็บอกว่าทราบ ขอถามว่าทราบหรือก็บอกว่าไม่ทราบแต่นี่เป็นคําถามคําตอบธรรมะท่านผู้ฟังมันมีนัยยะที่ลึกอยู่คําพูดของพระพุนะทธเจ้าเน่ยท่านผู้ฟังเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นเรื่องในทางเหนือโลกแตเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญาตานั้นถามว่ามาจากไหนแล้วจะไปไหนเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่ทราบว่าอันนี้มาจากเรืองของตัวเองรอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะไปหาพ่อ เอาได้ไปให้พ่อเป็นช่างหูกทอผ้าเขาสั่งเอาไว้ทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่ทราบว่าหญิงคนนี้มาจากไหนหรือจะไปไหนแต่ในคำตอบของหญิงคนนี้ที่ตอบว่าไม่ทราบนั้นเธอหมายความว่าการเกิดของเธอในชาติเนี้ยที่เธอเกิดมาเป็นลูกของนายช่างหูกเนี้ยชาติก่อนหน้านี้มาจากไหนเนี้ยไม่รู้เลยใน่อจากตัวเองนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องคดีตชาต แล้วถ้าตายไปจากชาตินี้จะไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นคือพูดถึงภพคืออัตภาพที่ตัวเองเกิดมาในชาตินี้ว่าจะไปไหนไม่รู้ละแล้วที่พระพุทธเจ้าถามว่าไม่ทราบหรือคำตอบของเธอที่บอกว่าทราบเนี่ยคือตายแน่นอนรู้แน่นอนว่าตัวเองนั้นต้องตายแน่แต่ถ้าจะบอกว่าตายเมื่อไหร่อันนี้คื อ, อยังไม่ทราบนี่นคือในส่วนคำตามที่3มและ4 ก็คือถ้าบอกว่าไม่รู้หรือว่าตัวเองต้องตายอ่ะอรู้แน่นอนอันนี้จึิงทราบรู้แน่นอนเอาแล้วรู้หรือว่าจะตายวันไหนก็จึงบอกว่าโอ้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะตายวันไหนคนที่พิจารณาเรื่องความตายทุกวันเลยบังหวังทำมาสามปีกี่ ด, ดูแล้วกันเนี่ยกระบวนการความคิดมันก็เป็นไปเรื่องเนี้เป็นไปเรื่องธรรมะอยู่ตลอดเวลาตายแล้วเ่็ยังมีเชื่อการเกิดก็ต้องไปเกิดถ้าไม่มีเชื่อแห่งการเกิดก็ไม่เกิดไม่ตาย แต่ยังมันไม่แน่ไม่นอนมันก็ไม่รู้ไปไหนปรากฏว่าทิดาในช่างหูกนี้หลังจากที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าถามตอบคําถามสี่คำถามนี้แล้วกลับไปที่บ้านของตัวเองเอาได้ที่ตัวเองกรอแล้วเนี่ยไปให้บิดาทําการทอผ้าโดยเครื่องทอผ้าคือเครื่องหูกนี่แหละปรากฏว่าในขณะที่หญิงคนนี้กําลังเข้าไปหาบิดานั้นตอนนั้นเนี่ยบิดากําลังทอผ้าอยู่ล่ะก็หลับไหนไนโม่ฟัง หลับในกรอผ้าไปโยกไปโยกมาหลับในไปด้วยไม่ได้เห็นว่าลูกสาวเดินเข้ามาเนี่ก็ไม่รู้ยังไงล่ะประกฏว่าไอ้เครื่องหูเนี่ยคือเครื่องทอผ้าที่มันจะมีการเคลื่อนไหวมีน้ําหนักหน่วงไปเนี่ยไปกระแทกกับอกของหญิงคนนี้พอดีไปกระแทกกับอกของลูกสาวตัวเองพอดีกระแทกอ ก, อกตึ้งเข้าไปเนี่ยเนื่องจากมันมีน้ําหนักมากเน่เครื่องทอผ้าในสมัยก่อนนั้นมีน้ําหนักมากแหวงน่วงไป โดยแรงโน้มถ่วงเนี่ยไปกระแทกกับอกของลูกสาวของตนที่กําลังเอาได้ที่ปั่นแล้วมาให้พ่อทําการกรอดได้นั่นก็คือคงจะเป็นลักษณะว่าประกอบเข้ากับกระสวยนเนพื่อที่จะทอผ้าตรงนี้แล้วเข้าไปให้พ่อพ่อหลับในดูจังหวะไม่ดีกันทาให้เครื่องหูที่แกวงไปหน่วงน้ําหนักไปเนี่ยมากระแทก อ, กอกของตัวเองพอดีด้วยความรุนแรงตรงนี้แหละกระทำให้หนังตาย คือเสียชีวิตนะที่นั้นนั่นเองแต่ว่าทิดาของนายช่างหูกนี้หลังจากที่ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ถามตอบคําถามกันสี่คำถามนั้นแล้วก็ได้เป็นโสดาบานละเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานไม่ไปสู่อบายภูมิการตายของนางนั้นก็เป็นการตายที่ไปดีพูดง่ายๆคือเป็นผีดีแน่นอนบางทีบางคนก็อาจจะเสียใจที่ไม่ได้เจอคนที่เพิ่งตายไปแต่การตายนั้นก็เป็นการไปดี แน่นอนนะทุกคนแต่บาังมันตายแน่ล่ะถ้าตายโหงเขาก็เรียกว่าเป็นผีแต่ถ้าตายโหงแล้วมีความไม่ดีอยู่อันนี้ก็คือเป็นผีชั่วเนี่ก็ไปนรกกาเนิเดแต่ละชั้นเปรตวิสัยล่ะทำความเดือดร้อนทำความวุ่นวายให้แต่ถ้าบอกว่าทําความดีเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะที่ดานายช่างหูที่พิจารณามรณสติอยู่สมปีใน่ยังรวมถึงลูกชายของปรามคนหนึ่งที่ขี้เหนียว มีต้มหูทองกลิ้งเลี้ยงอยู่คู่หนึ่งที่ว่ามาัตสกุนทลีเนี่ยพ่อทําให้เนี่ยแต่ตัวเองไม่ได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลอะไรเลยแต่เป็นเด็กหนุ่มอายุ1 5บ6นี่แหละป่วยด้วยโรควรณโรคจะตายอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปหน้าบ้านพอดีเด็กชายคนนี้ได้เห็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ตัวเองจะตายนี่แหละได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้จิตมันน้อมไปในทางนั้นแล้ก็เป็นพุทธานดสติตายแล้ว ก็ไปเกิดเป็นเทวดาเนะ่ยเป็นผีดีเนะี่ยเพราะว่าระลึกถึงพุทธานุสติในะคนแรกคือที่านายช่างโหกเนี่ยนะระลึกถึงบรณสติคนที่สองนมัธากุนทลีก็ตายโหงเหมือนกันเนะ่ยเป็นโรคตายก็ตายตอนที่อายุยังไม่มากนี่แหละก็โดยการระลึกถึงพุทธานุสตินะ่ยก็เป็นผีดีนะ่ยตายแล้วไปดีนะี่ยหญิงสาวคนหนึ่งเป็นผู้ที่ดูแลนาข้าวสาลี ได้ถวายทานในท่านพระมหากัสสปะในขณะที่ถวายทานเสร็จแล้วกําลังเดินกลับไปสู่ที่ของตัวเองถูกงูกัดแต่บุฟังถูกงูกัดตายก็ตายโหงเหมือนกันแต่ด้วยการระลึกถึงบุญกุศลที่ตัเองได้ทําไปจะเป็นจารการุสติแล้วก็ได้ไปดีจะเป็นเทวดาหรือชื่อราชาเทวธิดาแล้วก็มีจารการุสติหรือว่าในมหาการ ฟังธรรมะอยู่ตลอดคืนในเชตวันนี่แหละฟังธรรมะแล้วจิตใจน้อมไปตามคล้อยไปตามแล้วก็บรุเป็นโสดาบันรุ่งเช้ามามีคน้ามาใส่ความว่าท่านเป็นคนขโมยของมาถูกรุมสกรรมจนตายแล้วก็ยังไม่แก่ละอายุยังไม่มากแต่เพราะว่ามีคุณธรรมคือระลึกถึงธรรมะอยู่แล้เพงฟังธรรมะก็เป็นธรรมานุสติการตายนั้น ก็เป็นผี ล, ล่ะแต่ก็เป็นผีดีเป็นผีที่มีคุณธรรมนะคือคําว่าผีเนี่ยเขาก็จะแปลมาจากภาษาบาลีทันทีใช้คําว่าอะมนุษย์แต่ถ้าอะมนุษย์นั้นก็รวมหมดเลยทั้งหมดฝังอะไรก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์จะเป็นเทวดาจะเป็นสัตว์นรกจะเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเขาก็เรียกรวมว่าอะมนุษย์ซึ่งตรงนี้เป็นภาษาบาลีนะอะมนุษย์นี่ พอแปลมาเป็นภาษาไทยบางทีเขาก็ใช้คําว่าผีบ้างอย่างนี้เปน็นต้นผีไม่ดีก็พวกสัตว์นรกกําเนิดเดรัจฉานนี่ยมันอาจจะมีความคิดในทางเบียดเบียนมีความคิดไม่ชอบไม่ดีละ่ะโดยผลของกรรมที่เขาทํามาอันนี้คือผีไม่ดีส่วนผีดีนี่ยก็คือพวกเทวดา ข, ขึ้นไปอันนี้คือเป็นผีดีเพราะว่ามีคุณธรรมต่างๆเช่นการให้ทานบ้าง เช่นหญิงที่ดูแลรักษานาข้าวสาลีให้ทานในท่านพระหมหากระสปะระลึกถึงทานของตนเป็นจาคานุสติก็ไปดีเด็กชายที่มีต้มหูเกลี้ยงอยู่คู่หนึ่งชื่อมาถากุณฑลีเป็นเด็กหนุ่มเห็นพระพุทธเจ้าระลึกถึงเป็นพุทธานุสติก็ไปดีเป็นเทวดาได้ทิดาของนายช่างหูที่ทอผ้า ระลึกถึงความตายอย่างถูกต้องเป็นมรณสติแต่ตัวเองตายตอนที่ยังเป็นเด็กสาวนกก็ไปดีแต่มีอีกหลายๆคนท่านผู้ฟังที่ตายตอนที่อายุยังไม่ได้แก่อย่าเช่นนางสิริมานี่ก็เหมือนกันนางสิริมานี่ก็ป่วยด้วยโรค ก, กระตันหันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายไปแต่การตายนั้นก็ยังระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์มีพุโทธโธธรรมโสงโคเป็นที่แล่นไปของจิต แล้วก็ไปดีเนี่ยเป็นผีดีถือแม้ศพเนี่ยจะไม่มีใครเอาล่ะก็ก็กเผาทิ้งโยนทิ้งไปแต่ว่าจิตใจนั้นไปดีไม่ว่าการตายนั้นจะเป็นอย่างไรได้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ตามไายด้วยโรคชราก็ตามหรือว่าตายด้วยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่ถ้าบอกว่าจิตใจนั้นมีที่พึ่งเน่ยไม่ใช่ยึดนะมีที่พึ่งมีธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นมรณสติบ้างในกรณีของทิดานายช่างหูเช่นพุทธานุสติบ้างกรณีของเด็กชายมัตตกุณธลีมีชาคานุสติบ้างกรณีของหญิงผู้ดูแลนาข้าวสาลีมีธรมานุสติบ้างกรณีของนายมหาการที่บึงฟังทำออกมาหรือกรณีของพระชา้าพิมพิสารก็ตามเอา้าแต่ถึกระถูกงฆ่าตายแต่ก่อนตายนั้นก็พยายามเจริญสติปัฏฐานสี ก็ยังได้ไปดีเป็นผีดีนั่นเองท่้นที่นําเรื่องผีดีแล้วก็ผีไม่ดีมีตัวอย่างของธิดาของนายช่างต่อผ้าเป็นต้นเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังฟังเปรียบเทียบกันนี่ก็เพื่อให้เข้าใจว่าผีที่เรากลัวไม่ว่าจะกลัวความมืดกลัวสัตว์กลัวคนอะไรก็นตางที่เราไม่รู้เราเรียกรวมมันหมดละว่าเป็นผีผีดี หรือปีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมันอยู่ที่ภายในการตายหรืออะไรก็ตามที่มาเนี่ยที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันอาจจะทําให้เรากลัวแต่ถ้าในใจของเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความดีความงามอยู่ในใจมีเครื่องป้องกันความกลัดกลัวเอาไว้นั่เราจะไม่กลัวไม่ว่าจะไปสู่ที่ไหนก็ตามอาจจะเป็นที่ที่มีศัตรูที่น่าขนพอง เป็นตัวขยึกขยื้อน่ากลัวมากเลยแต่ให้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเขาขูดา่ด่าทำร้ายอะไรต่างๆเราถ้าจิตใจของเรามีความแจ่มแจ้งมีความเข้าใจนัะความกลัวจะไม่มีเม่ว่าคุณจะอยู่บ้านเปิดไฟนอนกับคนที่เรารู้จักก็ไม่กลัวละ่ะหรือคุณจะมาอยู่วัดนอนคนเดียวมืดๆก็ไม่กลัวละ่ะเพราะจิตใจที่มีความแจ่มใส ใจใจที่มีความเข้าใจความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละว่าไม่ใช่เฉพาะจะมาทําเวลาตอนที่มาอยู่วัดแต่มันทํามาตลอดเวลาอยู่แล้วทํามาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอย่างที่ดาของนายช่างหูกเน่ยเจริญ ม, มาแลนะสติติดต่อกันทุกวันตั้ง3มปีเป็นต้นเนี่ยเรามีธรรมะอยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยไม่มีความกลัวแน่นอนเพราะว่าถ้าเราตายไปถ้าสมมติเราตายจริงๆละ่ะอันนี้มันแน่นอนนะแต่ไม่รู้วันไหน ถ้าเราตายไปจริงๆเราก็ยังไปดีเป็นผีดีได้นั่นเองเพราะคนที่มีธรรมะอยู่ในใจไม่ได้กลัวอะไรแต่สุดท้ายมันกลัวตายเท่านั้นลหะแต่กลัวอันนั้นกลัวอันนี้กลัวอันนี้จะมาทำร้ายก็คือกลัวเจ็บนั่นแหละกลัวเจ็บก็คือกลัวตายนั่นแหะกลัวตายแล้วว่าจะไปไม่ดีเอาก็ไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวหวาจะไปไม่ดีเอาไว้มันก็ไปไม่ดีสิแต่ถ้าเราทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวในการที่เราจะไปไม่ดีเอาไว้เราก็ไปดีได้ บุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองในบหวังไม่มีใครที่จะทำอันตรายบุคคลผู้มีธรรมะคุ้มครองได้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะตายณปัจจุบันนี้ตายทันด่วนนี้เราก็ยังได้รับการคุ้มครองจากธรรมะที่จะทำให้เราไปดีข้าพเจ้าพระมาหาใบบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไอโศกก็ขอลาไปก่อนเชิญบาน